บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติสมาธิหรือการกระทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตามบุคคลจำเป็นจะต้องรู้ถึงลักษณะของการงานเหล่านั้น สิ่งที่เป็นอุปสรรคแห่งการงานนั้นๆและสิ่งที่เป็นอุปการะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การงานเหล่านั้นสาเร็จลงไปด้ยดีในชั้นของการปฏิบัติสมาธิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสมาธิในชั้นของสมถกรรมฐานคือการทำจิตใจของตนให้สงบนั้น ตัวลักษณะของสมาธิก็คืออาการของจิตที่สงบระงับนิวรธรรมทั้งห้าประการออกไปแต่วันในขณะเดียวกันนิวรธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกรุ้มรุมใจจนยากที่จะสลัดออกไปได้พระภูมีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอุบายวิธีเป็นนันมาก ที่จะทําให้จิตใจของผู้ปฏิบัติสามารถสงบนิวรณ์เหล่านั้นลงไปได้ดังนั้นจึงได้แสดงส่วนที่เป็นอันตรายของสมาธิและส่วนที่เป็นอุปการะของสมาธิเอาไว้เพื่อให้บุคคลได้กำหนดและลึกรู้สภาพจิตของตนในขณะนั้ น, น, น ว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นอุปการะต่อสมาธิเกิดขึ้นการมาฉันนิวรนั้นสิ่งที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาก็คือการกําหนดหมายไว้ภายในใจในลักษณะต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกำหนดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนื่องจากโลกของเรานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นโลกแห่งสัมผัสปัจจัยที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตของบุคคลทั้งในส่วนดีและไม่ดีจึงเกี่ยวข้องอยู่กับสัมผัสตลอดเวลา เมื่อใจของบุคคลไปกำหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องความใคร่ความปรารถนาความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นการเพิ่มปริมาณของกามฉันนิวรณ์ขึ้นภายในจิตของบุคคลท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ไว้ว่าอารมณ์เช่นนี้ เป็นอันตรายแก่สมาธิในทํานองตรงกันข้ามเนคขมะคือการที่กายจิตของบุคคลได้ออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องผัวพันไม่กำหนดหมายไม่หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นเป็นอุปการะธรรมอย่างสาคัญในการที่จะสงบนิวร์เหล่านั้นลงไปได้ เนคมะคือการออกนั้นทรงจำแนกเอาไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือบุคคลที่ปล่อยกายปล่อยใจให้เกี่ยวข้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสส่วนกลุ่มที่สองนั้นกายได้ถอยห่างออกไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ว่าจิตใจยังเหนียวนึกยังตรึกนึกด้วยอำนาจการบิดตกในเรื่องเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การมฉันนิวรณ์จะสงบลงไปจากจิตไม่ได้เพราะจิตยังมีความเกี่ยวข้องปูพันอยู่ในเรื่องเหล่านั้นประเภทที่สามคือกายไม่ออกแต่จิตใจออก เป็นการทำจิตของคือหัดผู้ครองเรือนทั้งหลายชายหญิงที่พิจารณาเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นแล้วไม่ไปตรึกนึกไม่ไปกำหนดใหม่อะไรพอจะสงบระงับได้ก็สงบระงับเสียสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ถือว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดกำหนดสติระลึกอยู่ เฉพาะในส่วนที่เป็นปัจจุบันรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ไม่คุณมัวเศร้ามองไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าเป็นเลขธรรมะในลักษณะทางจิตคือจิตนั้นออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้ว่ากายยังไม่ออกก็ตามผู้ที่ปรับจิตของตนและพัฒนาจิตของตนไปในลักษณะอย่างนี้ แม้ว่าจะอยู่ครอบครองเรือนก็อาจจะเป็นพระอระิยะบุคคลได้ถึงสามชั้นด้วยกันคือเป็นพระโสดาก็ได้เป็นพระสกทาคาก็ได้เป็นพระอนาคาก็ได้ประเภทที่สี่นั้นคือออกทั้งกายทั้งจิตซึ่งมีได้เฉพาะพระอระหันต์เท่านั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ดึงกายจิตของตนให้ออกไปจากอารมณ์เหล่านั้น ทั้งสาประเภทหลังเป็นอุปการธรรมอย่างสำคัญของสมาธิและบางชั้นก็เป็นตัวสมาธิเจ้เองประการต่อไปความอาฆาตพยาบาทคือการเก็บกดอารมณ์ที่ไม่พอใจเอาไว้ได้แก่การกำหนดหมายโลกแห่งสัมผัสทั้งห้าในลักษณะที่ตรงกันข้ามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ว่าเป็นสิ่งไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจทุกครั้งที่ตรึกนึกและเหนียวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นเป็นการเพิ่มปริมาณของความพยาบาทให้สูงขึ้นดังนั้นสภาพจิตเช่นนี้จึงเป็นอันตรายแก่สมาธิในทํานองตรงกันข้ามคือการที่บุคคลสร้างเมตตาจิตให้บังเกิดขึ้นทำตนเองเป็นอุปมาว่า เรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขและเกลียดยางความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนนั้นทำใจได้เช่นนี้แล้วสร้างความรู้สึกที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน จิตที่กรอบโดยเมตตาเช่นนี้จึงเป็นอุปการะธรรมแก่สมาธิประการที่สามนั้นอาการเงื่องหงอยเศร้าซึมเหนื่อยหน่ายระอาในกิจการงานต่างๆเป็นอันตรายแก่สมาธิเพราะเป็นการเพิ่มปริมาณของถีนมิถธนิวร์ให้สูงขึ้นภายในจิตใจ ในทำนองตรงกันข้ามคืออาการของจิตที่ประกอบด้วยความประโมทความยินดีในธรรมเอบอิ่มอยู่ในธรรมะเหล่านั้นมีความนึกคิดที่กอบด้วยกุศ ล, ลธรรมเป็นอุปการะแก่การทาจิตใจของบุคคลให้สงบเป็นสมาธิในคู่ที่สี่ท่านแสดงว่า อาการสัดสายไปของจิตในอารมณ์ต่างๆไม่อาจที่จะตั้งไว้ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท่านอุปมาเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวกริ้งอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่กับที่ยิ่งถูกลมพัดก็กริ้งกันไปใหญ่จิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านทางจิตก็มีลักษณะอย่าง เมื่อเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะให้สมาธิบังเกิดขึ้นจะยิ่งซัดสายมากขึ้นไปดังนั้นอาการซัดสายของจิตหรือความฟุ้งสั้นจนบางครั้งมีความหงุดหงิดบังเกิดขึ้นเป็นอันตรายแก่สมาธิและธรรมะที่ตรงกันข้ามคือความสงบแห่งจิตจิตไม่ฟุ้งสั้นจิตสงบอยู่ในอารมอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้จะไม่เป็นเรื่องของกรรมฐานก็ตามเช่นทํางานรับประทานอาหาราเช็ดบ้านถูบ้านเย็บผ้ารีดผ้าเป็นต้นทํางานอะไรใจสงบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ชัดใส่ไปในเรื่องอื่นเป็นอุปการะของสมาธิทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาการที่จิตของบุคคลสงบอยู่ในอิริยาบถ ในการงานที่ตนกระทํำนั้นเป็นกรรมฐานส่วนหนึ่งที่ทรงแสดงว่าสัมปชัญญปะปปะคือความรู้พร้อมซึ่งวิริยาบทซึ่งการงานที่ตนกระทําทํางานอะไรใจสงบอยู่ในเรื่องนั้นจึงเป็นการปรับพื้นจิตให้คุ้นเคยต่อความสงบที่สูงขึ้นไปประการต่อไปนั้น อาการที่ปักใจลงไปไม่ได้สูญเสียความมั่นใจในหลักธรรมในชั้นของปริยัติก็ดีในหลักที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่ก็ดีตลอดถึงในตัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็ดีนั้นมักจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอยู่สม่ำเสมอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะในการปฏิบัติ ทำความสงบจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนอกจากจะต้องอิงอาศัยบารมีที่ตนสั่งสมบูรว้ในอดีตเป็นปัจจัยสนับสนุนแล้วความเพียรพยายามที่กระทําสืบต่อกันในปัจจุบันยังเป็นแรงผลักดันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่า ไม่มีการอบรมมีการกระทมให้มากมีการกระทาบ่อยๆ อ, อย่างที่ทรงเน้นไว้ในที่ต่างๆแล้วความสงบแห่งจิตก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตฟุ้งมากกว่าสงบก็คล้ายๆกับบ้านเรือนที่มีการทำความสะอาดน้อยมีการปัดกวาดน้อยฝุ่นละอองทุลีก็ต้องมาเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลได้เห็นเช่นนี้แล้วก็อาจจะเกิดสงสัยว่า สมาธินั้นมีได้จริงหรือผลของสมาธิจะมีได้จริงหรือเป็นต้นเพราะตอนอบรมกระทำ ม, มาเป็นเวลานานแล้วไม่เห็นมีผลอะไรขึ้นมาก็จะเกิดความลังเลสงสัยในเรื่องนี้ท่านแสดงว่าความรู้สึกในลักษณะนี้จึงเป็นอันตรายของสมาธิในธํานองตรงกันข้ามคือจิตที่ตั้งมั่นในธรรม ที่ท่านใช้คำว่าธรรมะ ว, ะวัฏฐานะคือมีความเชื่อมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นโดยเริ่มต้นมาจากฐานที่สำคัญคือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพระอริยพระอริยเจ้าทั้งหลายและนักปราิราชบัณฑิต ที่สามารถทำความสงบใจให้เกิดขึ้นแก่ตนได้สืบต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชื่อในหลักของไตรสิกขาว่าข้อปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในชั้นของสีนั้น สามารถสงบบาประทำทางกายทางวาจาได้จริงการปฏิบัติในชั้นของสมาธิที่เรียกว่าจิตสิกขาหรือสมาธินั้นสามารถสงบระงับดับนิวร์ได้จริงส่วนที่เป็นปัญญาสิกขาเมื่อบุคคลปฏิบัติกือทาให้สมบูรณ์แล้วสามารถจะขจัดทำลาย กลุ่มกิเลสใหญ่เคอวิชาให้หมดไปสิ้นไปทำความสว่างให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลได้จริงๆเมื่อจิตใจของบุคคลมีฐานตั้งมั่นอยู่ที่ศรัทธาเช่นนี้แล้วอาศัยโยนิโสมนสสการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบาลแยบคลายยังมีเหตุมีผลจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะมีธรรมะตั้งมั่นอยู่ สามารถเป็นอุปการะธรรมอย่างสำคัญในการที่จะเสริมสร้างสมาธิทางจิตให้บังเกิดขึ้นในข้อต่อไปนั้นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆโดยท่องแท้ทางนี้เพราะขาดปริยัติธรรมคือการศึกษาการสดับย์สอบฟังการพินิจพิจารณายกธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาคบคิด เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นในชั้นของการศึกษาพระพุพะาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าบุคคลบางคนนั้นมีการศึกษาสัะดับฝางน้อยและไม่รู้เนื้อหาสาระแห่งสิ่งเหล่านั้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าตกอยู่ในสภาพนี้ ผลประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้รับก็มีได้ยากบุคคลประเภทที่สองนั้นทรงใช้คำว่ามีสุตะคือการศึกษาการสดับสับฟังมาน้อยแต่ว่าเข้าถึงเนื้อหาสาระแห่งคำสอนดอกนั้นว่าที่จริงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการแสดงไว้โดยอนเนกกระปรยายแต่ถ้าหากว่าบุคคลจับหลัก ในตอนใดตอนหนึ่งให้ได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเช่นจับหลักเรื่องความไม่ประมาทให้ได้หรือจับหลักของใจศสิขาจับหลักของการไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตใจของแพร่เป็นต้นได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ซึ่งบุคคลได้สดับสักฟังมาน้อยแต่เมื่อเข้าถึงเนื้อหาในยะแห่งคาสอนเหล่านั้นแล้ว ก็จะได้รับประโยชน์จากคำสอนเหล่านั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นการทางนี้ต้องอาศัยปัญญาบารมีของบุคคลผู้นั้นเข้าสนับสนุนด้วยข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าพระสารีบุตรเทระเมื่อตอนที่มาฟังธรรมะในสานักของพระอาสจินั้นพระอาสชิแสดงธรรมะเพียงสองบรรทัดเท่านั้นเอง ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคโคจ้าวรัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแผงธรรมนั้นระมหาสมณะมีปกติรัดอย่างนี้ด้วยการฟังธรรมะเพียงสองบรรทัดผู้มีปัญญาอย่างพระสาดีบุตรได้แทงตลอดเนื้อหาแห่งธรรมะอย่างกว้างขวางวิจิตพิสรนี่แสดงว่ามีการสดับสฟังน้อยจริง แต่เข้าถึงเนื้อหาสาระแห่งสิ่งที่ตนสดับจับฟังมาถ้าเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าได้สร้างอุปการะธรรมอย่างสําคัญให้เกิดขึ้นแก่การปฏิบัติสมาธิบุคคลอีกประเภทหนึ่งมีการศึกษามีการสดับจับฟังมากแต่ไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระแห่งความรู้เหล่านั้นสํานวนบาลีท่านใช้ ทำอยู่ประโยคหนึ่งว่าโปทิละแปลว่าคำพีเปล่าคือรอบรู้ศึกษาและเรียนมากมายไกลกองแต่พอเอาเข้าจริงเป็นความรู้ในลักษณะของนาทีโทษคือแม่น้ำที่กว้างแต่ตื้นธรรมดาว่าแม่น้ำกว้างนั้นหน้าแรงก็ใช้อะไรไม่ได้หน้าฝนก็ขังน้ำไว้ไม่ได้ความรู้ในลักษณะนี้ จึงมีผลเสียส่วนหนึ่งคือเสียในด้านที่ไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระแห่งวิชาความรู้เหล่านั้นส่วนประเภทที่สีนั้นทรงแสดงว่ามีการศึกษาสดับสับฟังมากด้วยและเข้าถึงคือเข้าใจเนื้อหาสาระแห่งปริยัติที่ตนศึกษามาด้วยแน่นอนเหลือเกินว่าบุคคลประเภทที่สีนี้ ย่อมควรแก่การสันเสริญทั้งสองฐานะคือทั้งในด้านการศึกษาและทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเป็นอันแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อบุคคลอาศัยความรู้ที่เริ่มก่อตัวมาจากส่วนน้อยแต่เข้าใจนั้นแต่ละอย่างสามารถที่จะขยจัดความไม่รู้ออกไปกลายเป็นยาณนะคือความรู้ขึ้นมาความรู้ในขั้น ที่เป็นญาณ น, นั้นอันที่จริงแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางจิตโดยตรงท่านจึงใช้คำว่าญาณนะหรือญาณแต่ว่าในขณะเดียวกันญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปริยัติศึกษาคือการศึกษาการสระดับจบฝังมาญาณความรู้จึงเป็นอุปการะแก่สมาธิในชุดนี้ประการต่อไปอรติ คือความเหนื่อยหน่ายระอาะเบื่อไม่ต้องการที่จะปฏิบัติรู้สึกว่าการทำจิตของตนให้สงบนั้นเป็นเรื่องยากเกินไปหนักเกินไปเหมือนกับขึ้นภูเขาหรือแบกของหนักแล้วก็เกิดความท้อถอยความระอาะที่จะประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นผลอะไรขึ้นมาก็เบื่อหน่ายที่จะทำ อรารติจึงกลายเป็นอันตรายแก่สมาธิเพราะตัวอรารติคือความเหนื่อยหน่ายนั้นเมื่อเกิดขึ้นมากๆข้าวมันก็เป็นการเพิ่มปริมาณของถีนมิทะนิวรณ์ดังที่กล่าวในตอนต้นตัวปลาโมดคือความเอิบอิ่มยินดีในธรรมที่เป็นกุศลแม้บุคคลได้น้อมนึกอย่างสมเหตุสมผล ตามนัยยะที่พระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของที่บุคคลได้โดยยากการฟังธรรมะเป็นการฟังที่บุคคลได้โดยยากการดำรงชีวิตอยู่โดยถูกต้องตามธรรมะนั้นเป็นการมีได้ยากการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลก เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและความที่เป็นไปได้ยากทั้ง4ประการนี้เมื่อบุคคลได้พิจารณาทบทวนดูแล้วก็จะเกิดปีติปราโมชขึ้นมาว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าและได้ตั้งตนอยู่ในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้น ทั้งสี่ประการเราได้แล้วด้วยอัตรภาพนี้ด้วยชีวิตนี้เป็นลาบของเราเหลือเกินเป็นบุญบา ร, รมีของเราเหลือเกินทั้งๆ ท, ท, ที่คนเป็นอันมากบัวเมาหมุกมุ่นอยู่ในโลกียรมทั้งหลายแต่เราสามารถแหวกโลกียรมเหล่านั้นเข้ามาทําใจให้สงบได้ยึดมั่นอยู่ในธรรมได้ ความปีติปราโมทก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อความปราโมทบังเกิดสันทะคือความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งๆขึ้นไปก็จะติดตามมาแต่และอย่างนั้นล้วนเป็นอุปการะในการที่จะทำจิตใจของตนให้สงบและในข้อที่8นั้นท่านกล่าวโดยสรุปว่าอากุศลและธรรมทั้งมวล จะมีชื่ออย่างไรก็ตามเป็นอันตรายกต่อสมาธิทั้งนั้นและตราบใดที่จิตของบุคคลยังอยู่ในอำนาจของอารมณ์อยู่แม้ว่าจะได้สมาธิได้ฌานแล้วก็ตามแต่ยังไม่ขึ้นฝั่งของปณิพัน์หรื อ, อยังไม่ถึงกระแสของพณิพาน์ การประพฤติการกระทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นย่อมเกิดขึ้นได้อกุศลและทำบางอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตเป็นอันตรายสำหรับบุคคลบางคนที่มีจิตใจสงบถึงขนาดแล้วข้อนี้เพิ่งเห็นได้ว่าอย่างพวกฝุลและ อ, องทุลีต่างๆนั้นถ้าหากว่าแกลงไปบนพื้นดิน หรือลงไปบนทรายก็จะไม่ทำความสกปรกอะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าลงไปบนเสื้อผ้าที่ซักรีสะอาดแล้วในอาหารในพื้นที่สะอาดแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สกปรกเศร้าม อ, อกไปดังนั้นในชั้นของอกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลนั้นจาบใดที่ เรายังไม่เข้าสู่ฝั่งของพนิพัทธ์อกุศละธรรมเหล่านั้นก็ยังเป็นอันตรายต่อสมาธิอยู่เพราะแม้ท่านที่ปฏิบัติจนบรรลุฌานแล้วแต่ไปพบอกุศนละธรรมบางอย่างเข้าก็ทําให้ฌานเสื่อมได้บุคคลจึงควรกําหนดรู้เอาไว้ว่าอากุศละธรรมแม้เพียงเล็กน้อยนั้นเปรียบเหมือนอสราพิษแม้ตัวจะเล็กน้อย ก็ทำอันตรายแก่ชีวิตได้ส่วนกุศลและธรรมทั้งมวลนั้นจะมีชื่ออย่างไรก็ตามถือว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะก่อให้เกิดสมาธิขึ้นจิตจินดีในกุศลชั่วขณะหนึ่งชั่วแวบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมส่งให้เกิดสมาธิได้ไงเพราะฉะนั้นในชั้นของ กุศลละธรรมแล้วพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของความอาฆาตพยาบาทด้วยอาศัยเมตตาภาวนาที่บุคคลให้เป็นไปให้เกิดขึ้นได้แม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเป็นธรรมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ จะปวยกล่าวไปใหญถึงกุศลธรรมที่มากกว่านั้นที่บุคคลอบรมกระทํำบําเพ็ญให้สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นอานิสงส์ก็ย่อมจะมากกว่าธรรมที่ให้เป็นไปในชั่วลัดนิ้วมือเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายตรงกันข้ามก็เหมือนกันอกุศลแธรรมที่เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วไอวลัดนิ้วมือเดียวก็สามารถที่จะทําความขุนมัวเศร้าหมองให้เกิดขึ้น แก่จิตใจได้เช่นเดียวกันเมื่อบุคคลรู้ในฝ่ายที่เป็นอันตรายของสมาธิและในฝ่ายที่เป็นอุปการะของสมาธิแล้วในขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็ดีในขณะที่ดำรงชีวิตประจาวันก็ดีก็พยายามใช้สติปัญญาระลึกรู้ถึงอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นอะไรเป็นอันตรายของสมาธิก็สลัดออกไป อะไรที่เป็นอุปการะแก่สมาธิก็เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นแล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่าสร้างปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อปฏิบัติไปความสงบก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปและเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าโดยตรง ในวันนี้จึงขอให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาพระธรรมเทศนาอนัตตลกใณสูตรซึ่งได้สวดแปลขึ้นเป็นการน้อมใจของตนพิจารณาไปตามกระแสธรรมเหมือนกับการฟังธรรมะต่อพระพักของพระพุทธเจ้าต่อไป